ท่านฟังที่ครรอค่ะตอนนี้ก็เป็นเวลาที่เราจะได้มาพบกับราาพระอาจารย์ไพบูรณะพิบุญโนกันแล้วนะคะในรายการสรมนสนีสนทนาซึ่งเสาร์อาทิตย์ท่านก็เหมือนกับท่านมาค่ะที่ได้พักไปที่สถานีวิทยุแห่งนี้นะคะส่วนตัวของท่านเองนั้นไม่ได้พักไปแล้วพักเปล่าในเวลาเดียวกันจะเป็นการเปลี่ยนสถานที่ไปพูทธ ร, รมะที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ก็ขอกราบนมรสการนะคะพระพอาจารย์พิบูลอภิปุโนค่ะพระเชิญพรก็ใกล้จะออกพรรษาเต็มทีแล้วนะคะเดี๋ยวประมาณ3สัปดาห์นะคะสำหรับช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เราจะได้รับการบอกบุญเกี่ยวกับเรื่องของการทอดกระถินเป็นจำนาในขณะเดียวกันก็จะเป็นเรื่องความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเกี่ยวกับน้ำท่วมที่ก็จะมีการบอกให้ผู้ที่มีจิตศรัศทธาทั้งหลาย ช่วยกันช่วยเหลือในยานเดือดร้อนออยางที่มีความทุกข์ค่ะวันนี้คิดว่ามีคำถามเกี่ยวกับเรื่องของพระสงฆ์นะคะที่คาใจหลายๆคนในลักษณะที่ชวนให้รู้สึกศรัทธาถอยเดี๋ยวฉันขึ้นประเด็นมาอย่างนี้ก่อนแต่ขออนุญาตที่จะให้ท่านนได้ช่วยกรุณาเข้าเรื่องพุทธประวัติที่เล่าค้างกับริยสัจสี่ก่อนดีไหมคะได้วันนี้พุทธประวัติ จากพระโอษฐ์ที่พระุทธชจ้าเล่าไว้ท่านพุทธทาสที่ได้รวบรวมมาก็จะมาถึงตอนที่พระพุทธองค์กับรัที่อื่นๆว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยทรงพูดถึงลัที่อื่นๆไว้อย่างไรบ้างพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบลัที่อื่นๆเนี่ยเหมือนอย่างเวลาที่มีแสงหิ่งห้อยนะเปรียบเทียบแสงหิ่งห้อยเนี่ยกับแสงพระอาทิตย์ นะโดยเปรียบเทียบความรู้หรือว่าลักษณะการคําสอนละเอียดรอบครอบความพิสดารรายละเอียดของคําสอนเนี่ยนะของลทัทธิอื่นๆเนี่ยเปรียบเสมือนกับแสงหิ่งห้อยในขณะที่ความละเอียดลึกซึ้งของคําสอนของพระองค์เนี่ยเปรเียบเสมือนกับดวงอาทิตย์ค่ะนะแล้วก็ตลอดเวลาที่ดวงอาทิตย์ยังไม่ขึ้นมาเนี่ยหิงห้อยก็ยังมีแสงนั่นนี่แต่เมื่อไหร่ที่ดวงอาทิตย์ขึ้นมาเมื่อไรเนี่ยหิงห้อยก็จะดับแสงไปค่ะอืมแล้วก็ พูดถึงความที่พระพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์เนี่ยมีคําสอนที่ละเอียดลึกซึ้งมากแลเรื่องนี้ได้ปรารฏเหตุที่มีภิกษุผู้หนึ่งเนี่ยเขาไปบินทบาทกุโยมติวแล้วก็ได้ฟังคือก่อนไปบินทบาทเนี่ยพระสายก่อนก็เอือเฟื้อเกื้อกูลกันนะน ะ, ะก่อนที่จะถึงเวลาบินทบาทเนี่ยมาไปเช้าเกินไปใช่ไหมก็เลยไปนั่งรออยู่ที่ที่พักของพวกเดรศีก่อนคือไปถึงพวกนักบวชของความสอนอื่นๆเขา ก็ในที่น <Yeah. S 1> ั้นเขาก็พ so, ูดกันว่าเนี Gram ่ยศาสดาเขาก็สอนเรื่องของพรหมิหารสี่นะแล้วก็สํำนักโคดมก็สอนเรื่องพรหมิหาร4เหมือนกันเอ้แล้วมันต่างกันยังไงพิกษุรูปนี้ก็ตอบไม่ได้ใช่ไหมก็เลยเก็บคําถามนี้ไว้ในใจแล้วก็มาถามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เลยแจกแจงลงไปในรายละเอียดนะว่าคําสอนเรื่องพรหมิหาร4ี่ถึงแม้จะเหมือนกันนะกับของพวกปรามเนี่ยแต่คําสอนพรุทธเจ้าเราละเอียดกว่ามากนะถ้าเรื่องเนี้ย คนที่ต้องการภาวนาเนี่ยมถึงชอบนั่งสมาธิเนี่ยควรจะมารู้รายละเอียดคือพูดถึงการใช้เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเนี่ยแล้วก็สามารถเข้าสมบัตินะสมาธิที่ลึกซึ้งขึ้นไปได้นะผู้เ่าเคยพูดถึงการเจริญเมตตาที่เกี่ยวข้องกับโพชฌงค์ทั้ง7นะก็พูดไวในพระสูตรนี้นะซึ่งเมตตาเนี่ยสามารถอาศัยโพชฌงนะคือมี สติวิริยะปีติธรรมวิจยะไปเรื่อยเนี่ยแล้วก็เพื่อให้เข้าลงก้าวลงสู่วิมุตต์ได้นะทั้ง4อย่างเลยอันนี้เป็นรายละเอียดที่ดีมากที่คําสอนพระเช่าพูดถึงรายละเอียดตรงนี้ อ, อ๋อค่ะคือหมายถึงว่าถ้าสมมุติญาตโยมทั้งหลายผู้ศรัทธาทั้งหลายจะเจริญพรหมวิหารสี่ก็มีโอกาสที่จะเข้าสมาธิยิง่งยิ่งขึ้นไปได้ใช่คือใช้พรหมวิหาร4ี่เนี่ยเป็นการทําให้โพชฌงค์ทั้ง7เกิดขึ้นได้ โพชงนี่คือองค์ธรรมแห่งการตรัสรู้ธรรมแล้วน ะ, ค, ะคือจิตของเราเนี่ยไปจ่ออยู่ที่ประตูสู่วิมุติละถ้าอาจารย์คะกำลังสงสัยอะค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาออกเสียงโพชงหรือโพชงนะคะอ่าโพชงโพชงเพราะว่ามีชอช้างสะกดด้วยน<ป><ป>ะสะโลพอพ่านชอช้างก็ต้องอ่านว่าโพชงเป็นองค์ธรรมแห่งการตรัสรู้ใช่ใช่นะคะองค์ธรรมแห่การตรัสรู้สมมุติว่า เมตตากรุณามุติตาอุเบกขาได้ย๋ยวนก็สงสัยนะคะว่าเหมือนกับเราก็เราเมตตาอยู่นะเราก็กรุณาอยู่นะนะ อ, อแต่ว่ามุติตานี่ยังไม่ค่อยชัดเจนมุติตานี่หมายความว่าอย่างไรก็ยินดีในความสุขของคนอื่นยินดีในความสุขของคนอื่น แ, <ม>แล้วก็มุติตานี่จะตรงข้ามกับริษยา อ, อ๋อค่ะทีนี้อุเบกขาวางเฉยเนี่ยก็พอจะรู้ว่าบางครั้งเราก็อุเบกขาบ้างอืแต่ก็มีความรู้สึกว่าที่ทํามาเนี่ยมันพื้นเพื่อเหลือเกินลักษณะของ จเจริญพงศ์วิหารทั้งหลายเนี่ยนคะคะมันจะต้องยิ่งยวดมากไปกว่าที่เราทําทําอยู่ไหมคะถึงจะสามารถที่จะก้าวสู่สมาธิยิ่งขึ้นไปได้แน่นอนแน่นอนต้องเป็นอย่างนั้น <c oughs> คือหมายความว่าอย่างสมมุติเวลามีใครมาพูดอะไรกระทบเราเนี่ยนะะอ <c oughs> ที่ไม่ดีไม่ดีเนี่ยอุเบกขานี่คือการที่เราติดเบรกให้จิตเบรกเลยอย่าคิดไม่ดี <c oughs> อออย่างนี้ก็คืออุเบกขามี่อไรมากกระทบ นิ่งเฉยอยู่ได้อันนี้อุเบกขาถ้ามีอะไรมากระทบอะไรยังวุ่นวี่วุ่นวายขึ้นเหนือลงใต้คิดไปทั่วเนี่ยังไม่ใช่ละ่ะอีกอย่างหนึ่งดีฉันจะกราบเรียนถามท่านนะคะคือไม่ยินดียินร้ายกับความทุกข์นนออกของคนอื่นเนี่ยเขาเรียกว่าความเฉยแบบอุเบกขาเนียก็ให้มีเมตตาไงหรือมีกรุณาไงคือคนที่จะไปเศร้าโศกเสียใจแล้มันคิดอะไรไม่ออกใช่ไหมถูกเรียกว่าถูกความทุกข์ครอบงําอยู่ ผู้ที่เป็นแบบนี้จะต้องทุบอกร่ําให้คร่าครวนชกตัวแล้วก็ด่ากราดจะเป็นอย่างนี้หรือแม้ก็อีกข้างหนึ่งก็ด่ากราดไปเลยทุกคนแต่ถ้าเรามีอุเบกขาเราทําจิตให้นิ่งอยู่ได้แล้วเราก็จะมีการุณาได้นะสงสารเขาช่วยเหลือเขาตามที่เราช่วยเหลือได้อย่างเงี้ยน ะ, ะจิตแบบนี้จะเป็นจิตของพระมิหารเป็นผู้ใหญ่แล้วก็จะทําให้เข้าก้าวลงสู่วิมุติได้โดยการที่เจริญพระมิหารเนี่ยควบคู่ไปกับโพชฌคทั้ง7 การกระสุนนะคะนี่คือเรื่องของอคํำสองพุทธเาเกี่ยวกับลัที่อื่นๆจะไม่ที่ <c> <t une> ตรงนี้ก่อน <c> <t une> อส่วนอริยสัจสี่ตอนนี้เรายังอยู่ในช่วงของความดับไม่เหลือของทุกคือความดับไม่เหลือของตันหา <c> <t une> นะซึ่งเมื่อเมื่อสักครู่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราพูดถึงเรื่องตันหาใช่ไหม <c> <t une> ดับไม่เหลือของตันหาเป็นยังไงเราก็ต้องมาพูดถึงความดับไม่เหลือของราคะโทสะโมหะเหมือนกัน <c> <t une> นะเราก็จะพูดถึง ความดับไม่เหลือของอสวะพวกนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันหมดแล้วพระพุทธเจ้ายัางพูดถึงความไม่ยึดมั่นถือมั่นะนะก็เป็นเหตุของเป็นผลของตัณหาเพราะมีตัณหาจึงมีความยึดใช่ไหมเพราะมีตัณหาจึงมีอุปาทานคือความยึดเนี่ยถ้าความยึดถือเนี่ยดับไปนะถ้าความยึดถือดับไปคุณก็ชื่อว่าพ้นทุกข์เหมือนกันไม่ยึดในตัวตนของตนน ะ, ะผู้ที่เป็นอย่างนี้จะเกิดอะไรขึ้นก็จะไม่สะดุ้งหวาดเสียว งงๆนะบางคนอาจจะสงสัยว่าแ้วอย่างนี้พระอรหันเนี่ยหมดตันหาแล้วใช่ไหมไม่มีความยึดใช่ไหมไปจ้าเอกข้างหลังเนี่ยท่านจะตกใจไหมไม่สะดุง<ม>้งตกใจนะแต่ในที่ไม่สะดุ้งตกใจในกรณีนี้เนี่ยพระชาพูดถึงความไม่สะดุ้งตกใจในการเปลี่ยนแปลงของขันตั้งห้ามหมายความว่าถ้าขันตั้งห้าแตกเปลีป่ยนแปลงไปเกิดขึ้นดับไปฉันไม่สะเทือนค่ะแต่ถ้าฟ้าผ่าตุ้มขึ้นมานี่ก็อาจจะมีร่างกายมันต้องมีรีเฟล็กของเขานะ เป็นธรรมชาติเหมือนอะไรมีมือไปรูปที่หน้าผ่านหน้าเนี่ยก็จะต้องหลับตากับพริบตาเป็นธรรมชาติของตาร่างกายก็จะมีรีเฟล็ก์ของเขาในการที่ทางานแต่ว่าจิตเนี่ยไม่สะดุ้งไปตามการเปลี่ยนแปลงของสิ่งเหล่านั้นบางกันเถอะอแล้วอีกปราการหนึ่งของการที่ไม่มีตัณหาเนี่ยนะจะเรียกว่าไม่มีความยึดในความเป็นขั้นข้นขึ้นไป อย่างสมมติเราบอกว่าเราไม่ยึดในกามเนี่ยไม่ยึดในความสุขที่เกิดจากตาหูจมูกลิ้นกายใช่ไหม <N> จิต <ently. S 1> คุณปล่อยวางได้เนี่ยคุณจะได้สมาธิขั้นที่1นั่นะคือฌานที่1 น, นะถ้าเราไม่ยึดในความคิดวิตกวิจารณ์นะปล่อยวางได้เราจะได้สมาธิขั้นที่2 <N> เลื่อนขึ้นไปนะ <Yeah. S 1> เราบอกว่าเราไม่ยึดในความปีติปติที่เกิดขึ้นนะอิ่มเอิบใจเราไม่ยึดปล่อยวางได้คุณจะได้สมาธิขั้นที่สาม นะปล่อยวางความสุขก็ได้คุณได้สมาธิขั้นที่สี่เลื่อนขึ้นไปเลื่อนขึ้นไปเป็นขั้นๆทั้งหมดเก้าขั้นตรงนี้ค่ะอืมเป็นในเรื่องของอความดับไม่เหลือของทุกนะก็จะพูดไว้ตรงนี้ก่อนอ๋อค่ะนะคะเพราะว่าที่ฉันเองได้กราบเรียนท่านเพรบูรณ์แล้วก็ท่านผู้ฟังที่ฟังมาตั้งแต่ต้นนะคะว่าจะมาเรียนถามถึงปัญหาที่มันเกิดขึ้นแล้วคน ที่ศรัทธาอยู่ก็ศรัทธาถอยในพระสงฆ์บางรูปแล้วก็ปล่อยอาจจะเคลือบแคลงในพระสงฆ์จำนวนมากไปซึ่งเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงมากจึงต้องมากราบเรียนถามท่านเอาเรื่องดังๆก่อนกันแล้วกันนะคะเรื่องอยากดังสำหรับกรณีคลิปอยากดังที่ออกอากาศทางรายการคุณสรยุทธ์จนกระทั่งเป็นเรื่องกล่าวขวัญกันไปทั้งประเทศแล้วก็ทาให้คนจานวนไม่น้อยเลยศรัทธาถอย เท่านั้นยังไม่พอไม่ได้ศรัทธาถอยกับคนที่แต่งตัวเป็นพระและอยู่ในคลิปนะคะแต่ว่าพลอยที่จะระแวงพระสงฆ์จำนวนมากไปซะอีกเรียกว่าคนที่ห่วงพระพุทธศาสนาก็อาจจะกังวลใจนะคะทีนี้รายการของเราก็เผยแผ่คำสอนของพระาศาสดาอดไม่ได้ที่จะกราบเรียนถ า, ถามท่านอาจารย์ค่ะว่ากรณีสมมุตินะค ะ, ะเป็นพระสงฆ์แล้วก็แสดงอาการ เช่นเดียวกันในคลิปนั้นยกเท้าขึ้นมาบนโต๊ะท่ามกลางญาติโยมทั้งหลายพูดจาในลักษณะที่ต้องบอกว่ากล้าวนะคะ อ, อย่างนั้นนะคะในทางพระวินัยยัยงถือก็เป็นพระสงฆ์อยู่ไหมคะในทางพระวินยัยความเป็นพระสงฆ์เนี่ยวัดกันที่ศีล น, นะศีลเนี่ยก็คือถ้าคุณไม่ผิดศีลสีส่ข้อหลักนะคือปาราชิกสี่ นะคือไม่ขโมยของคนอื่นไม่ฆ่ามนุษย์ไม่มีเพศสัมพันธ์แล้วก็ไม่อวดอุตริมฤษธรรมรนะที่ไม่มีในตัวเองเนี่ยก็ยังถือว่าเป็นพระอยู่นะก็ไม่มีปัญหาส่วนเรื่องของกิริยาที่ไม่สุภาพอันเนี้ยนะก็จะผิดวินัยของพระอยู่ส่วนที่เป็นเสกียวัตรนะคือข้อปฏิบัติที่จะทําถ้าเราทำเนี่ยจะเป็นที่เลื่อมใสกับผู้ที่ยังไม่เลื่อมใสแล้วก็จะทําให้ผู้ที่เลื่อมใสแล้วเลื่อมใสมากยิ่งขึ้นแต่ถ้าไม่ทํา นะก็จะทําให้คนที่เริ่มใสเนี่ยไม่เริ่มใส่แล้วคนที่เริ่มใส่อยู่ก็จะตกลงไปอันนี้ก็เป็นข้อเสียคียาวัตธรรมดาก็ความผิดก็เล็กน้อยก็ไปปรงอาบัติกันก็จะจบได้ทีนี้มันมีประเด็นที่อาจาต้องพูดถึงเรื่องนี้ก็คือว่าพระเจ้าเคยพูดถึงพิสูุรูปใดรูปหนึ่งนะที่มีวาจาอันสุภาพอ่อนโยนนะเป็นวาจาที่ชาวเมืองเขาพูดกันนะแล้วก็สามารถที่จะมีคําพูดที่พูดออกไปแล้วเนี่ยชี้แจงชักชวนให้บุคคลเนี่ย รื่นเริงร่าเริงในธรรมได้ถ้ามีคุณสมบัติสองข้อนี้จะสามารถเพียงพอเพื่อผู้อื่นนะคือตัวเองเนี่ยจะเพียงพอหรือไม่อยู่ที่การปฏิบัติของท่านเหนือไหมถ้าท่านสามารถเห็นตามที่เป็นจริงปลอยว่างได้หมดพุ่งเป็นพาลานได้เลยนะแต่ท่านจะสอนได้หรือไม่นะก็อยู่ที่ว่าท่านมีวาจาอันเป็นที่ไพเราะอัญชาเมืองเขาพูดกันไหมนะท่านสามารถชี้แจงชักชวนให้คนเนี่ยมีความอาถรรพร่าเริงในธรรมน้อมไปเพื่อการปฏิบัติหรือไม่ นะถ้าท่านทาได้ก็เพียงพอเพื่อผู้อื่นถ้าทําไม่ได้ก็ไม่เพียงพอเพื่อผู้อื่นแต่พอเพื่อตัวเองเฉยเพราะฉะนั้นจึงต้องบอกว่าคําสอนเนี่ยคือการปฏิบัติของใครก็แล้วแต่ก็เป็นของบุคคล น, นั้นนะท่านทําดีได้ดีแล้วแต่นะคําคสอนเราต้องกลับไปดูของพระพุนะทธเจ้าพระพุทธเจ้าทําตัวยังไงโอ้ท่านก็ทําตัวอย่างที่ท่านที่เราเล่ากันมาในตลอดนะในพุทธประวัติซึ่งก็เป็นข้อที่ดีมากนะแต่ถ้าถ้าตัวผู้ฟังอาจจะเป็นท่านผู้ฟังหรือคุณ สันสัญญเองก็ตามเนี่ยเห็นพระที่อาจจะดีบ้างไม่ดีบ้างอย่างนี้ใช่ไหม <c oughs> ก็เป็นการปฏิบัติของท่านน่ะที่ว่าท่านก็ต้องอปฏิบัติให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเพื่อที่สัตรธรรมของท่านก็จะได้บริสุทธิ์มากขึ้นใช่ไหมค <c oughs> ่ะดังนั้นก็เป็นการปฏิบัติของท่านแต่คําสอนเราก็ต้องกลับไปดูของผู้เรียนช่าอยู่ดีอย่างนี้นะค่ะงั้นในกรณีนี้ถ้าดิฉันจะสรุปง่ายๆก็คือว่าถามว่าขาดจะความเป็นพระไหมไม่เพราะว่าไม่ได้ผิด ความเป็นประชิก4ประการนั้นใช่แล้วก็ส่วนเรื่องที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติเกี่ยวกับตัวของท่านเองท่านก็ต้องทําท่านเองเพื่อความเจริญก้าวหน้า<ช>ท่านใช้คําว่าพอเพียงกับตัวเองเหรอคะถูกต้องคือถ้าพอเพียงกับตัวเองนี่หมายความว่าการปฏิบัติในจิตของท่านค่ ะ, นะถ้าท่านมีการเดินจงกรมนั่งสมาธิอยู่ก็จะสบายท่านละ่ะแต่การพูดการอะไรเนี่ยเป็นการพอเพียงเพื่อผู้อื่นการแสดงทําเป็นการพอเพียงเพื่อผู้อื่นถ้าเรา ไม่สบายใจแล้วก็ไปฟังธรรมของคนอื่นหรือว่าฟังธรรมของพระพุทธ้าก็ได้ค่ ะ, ะแล้วก็กลียาอาการเช่นนั้นผิดสิ่งที่เรียก่าเป็นเขีิวัตรใช่เป็นอาบัตเล็กน้อยออก็ไปปรงได้ ใช่นะคะก็เป็นเรื่องที่เป็นความรู้ที่ดิฉันคิดว่าหลายท่านคงอยากจะทราบกันเรื่องพวกนี้พระพุทธองค์บัญญัติไว้ทั้งหมดแล้วถูกไหมคะใช่ใ ช, ใชเพราะว่ามีเรื่องพระขึ้นโรงพักเดี๋ยวในวันถัดมาดิฉันจะถามก็แล้วกันนะคะ่ได้ได้ไดวันนี้หมดเวลาแล้วใช่ไหมใช่ค่ะก็รบกวนท่านไพียบบุญแต่เพียงเท่านี้นะคะนมัส ก, การขอบพระคุณคะ่ะใช่อจารย์พานทนผังที่เคารพค่ดิฉันลำบากใจทุกครั้งนะคะที่จะพูดถึง พูดที่เป็นพระหรือว่าแต่งตัวเหมือนพระแล้วก็มีพฤติกรรมที่ทําให้คนเสริมศรัทธาเพราะมีความรู้สึกว่าไม่อยากจะให้ตัวเองผิดพลาดในการพูดไปแล้วก็ปรากฏผลในเชิงลบนะคะเดี๋ยวดิฉันไม่ได้มีเจตนายอย่างอื่นใดเลยนอกจากที่จะต้องการทําให้ท่านทั้งหลายนั้นมีความรู้ว่าพระพุทธองค์นั้นได้วางกฎระเบียบไว้ยอย่างไรที่พวกเราจะได้ช่วยกันนะคะรักษากันเอาไว้แล้วก็มาถึงตอนนี้อยากจะกราบเรียนท่านก่อนจะจบรายการนะคะว่า ท่านใดที่สนใจที่จะทำบุญท่อกะถินกับพระสงฆ์ที่มาให้ธรรมะท่านอยู่เป็นประจำในรายการนี้ทางศาณีวิทยุครอบครัวข่าวเ m 1เ6็รอหและวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติเฉลิญพระเกียรติคือรูปที่เพิ่งผ่านไปก็คือพระอาจารย์ภัยบุญจากวัดป่าดอนหายโศกจังหวัดอุดรธา น, นีนะค ะ, ะทีะ่จะจัดกันในวันที่ยี่สิบสามตุลาคมส่วน รูปแรกประมารชาคาวโรค่ะทีวัฒนาป่าพงลำลูกกาคลองสิธิ์จังหวัดปทุมธานีดิฉันมากราบเรียนท่านอย่างนี้เพราะว่าในส่วนตัวเองก็ไม่ได้เป็นเจ้าภาพใหญ่ของกระถิงที่ไหนนะคะเพียงแต่ว่ า, อ, าอยากจะให้ท่านทั้งหลายที่สงสัยอยู่ในใจเพื่อบางท่านในโทรศัพท์มาหาดิฉันเลยถามว่าจะาร่วมทำบุญได้ในลักษณะใดบ้างบางคนก็ไปไม่ได้อะไรทานอง น, นี้นะคะค่ะติดตามรับฟังรายการของเราได้ใหม่ การในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะผู้ท่วสวัสดีค่ะ